ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันานาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวารรันาต่อไปจะเป็นเรื่องของสิกขาบทที่เป็นอจิตกะบัญญัติต่อนะข้อหนึ่งไม่เป็นไข้อย่าให้เขาถอนขนในที่แคบ ด้วยทรงห้ามและอนุญาตไว้ว่าณสัมบาเทโรมังสังหาราเตตบังอนุชานามิพิทเวเข้อความละอาพาทัพปัจจยาสัมบาเทโรมังสังหาราเปตุงแปลว่าอย่าเพิงให้เขานำเสียซึ่งขนในที่แคบคือในร่มผ้าและรักแร้ถ้าให้เขานำเสียต้องทุกข์กฏเราตถาคตอนุญาตให้ให้เขานำเสียซึ่งขนในที่แคบเพราะอาพา คือเป็นฝีแผลและตอมทายาหรือพอกยาข้อหนึ่งอย่าทิ้งและอย่าให้เขาทิ้งอุจจาระปัสสาวะและอยากเยื่อของเป็นเดนนอกฝาหรือนอกกำแพงข้อหนึ่งอย่าทิ้งอย่าให้เขาทิ้งของสี่อย่างนั้นในที่ของเขียวคือไร่นาของเขาด้วยสองสิกขาบทนี้มาในปาจิตติแห่งพิกตุนีพระอัตฉรอาจารย์ท่านกล่าวว่าในพิกตุเป็นทุกกฎ ทิ้งเองซึ่งของสี่อย่างนอกฝาหรือนอกกำแพงด้วยประโยคอันเดียวกันเป็นทุกกฏตัวเดียวเมื่อทิ้งต่างกันเป็นทุกฏนับด้วยวัตถุของพิกจุนิยนถ้าทิ้งในไร่นาในของเขียวสดต่างๆอันนี้ก็อุจจาระปัตตวะหยักเยื่อของเป็นเดชต้องปฏิจตีของพิจุนี้อบัตทุกฏแม้ในการบังคับให้เขาทิ้งก็เหมือนกันแม้ทิ้งไม้สีฟันคงเป็นทุกฏแท้ และดูก่อนจึงทิ้งอุจจาระเป็นต้นหรือว่าทิ้งในที่ไม่มีคนไปมาเป็นที่เคยทิ้งไม่เป็นอบัาดไรนาเป็นที่เพราะปลูกพืชผลของมนุษย์หรือสวนมะพร้าวเป็นต้นก็ตามในที่ใดที่หนึ่งเป็นที่มีของเขียวคือพืชผลเขาเพราะปลูกวางไว้แล้วจะทิ้งของสี่อย่างนั้นไม่ควรเมื่อทิ้งให้พึงรู้ประเภทอบัาดโดยในก่อน นั่งฉันหรือว่าเขี้ยวอ้อยเป็นต้นในไร่นาหรือสวนเมื่อจะไปเททิ้งน้ำที่เป็นเดนและกาดเป็นต้นลงไว้ในที่มีของเขียวโดยที่สุดแม้ทิ้งมะพร้าวที่ตัดหัวดื่มน้ำกินแล้วลงไว้คงเป็นทุกกฎเหมือนกันในนาเขาไถาแล้วหว่านพืชลงไว้แล้วนอแตขึ้นแล้วหรือยังไม่ได้แต่ก็าตามคงเป็นทุกกฎแท้ ทิ้งลงในไร่นาที่เขายังไม่ได้หว่านพืชหรือว่าในมุมไร่นาเป็นต้นหรือในคันนาเป็นต้นที่เขาไม่ได้เพาะปลูกและทิ้งในที่มนุษย์เขาเทอยากเยื่อก็ดีควรอยู่มนุษย์เขาเกี่ยวข้าวแล้วไปเสียชื่อว่านาร้างอยู่ในานาเช่นนั้นควรทิ้งได้นะแต่ในานาใดปุบปันาชาติเป็นต้นแม้เขาเกี่ยวตัดแล้วแต่เขายังรักษาอยู่ว่าจะงอกขึ้นอีก ในไรนาเะนั้นก็ไม่ควรข้อหนึ่งไม่ได้พิจารณาถามก่อนอย่าฉันเนื้อถ้าฉันต้องทุกกดด้วยสรงห้ามไว้ว่าน่าจะอปริเวกิตวามังสังปริพุญชิตบังดังนี้ถ้ารู้อยู่ว่าเป็นเนื้อสิ่งนี้แล้วจิตที่จะสอบถามไม่มีแต่ไม่รู้พึงถามก่อนจึงฉัน ข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้อช้างข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้อม้าข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้อสุนัข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้องูข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้อราชสีห์ข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้อเสือโคร่งข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้อเสือเหลืองข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้อหมีข้อหนึ่งอย่าฉันเนื้อเสือดาวเก้าอย่างนี้นะถ้าฉันเนื้อเหล่านี้ต้องทุกกดถ้าฉันเนื้อมนุษย์เป็นสิบอย่างอย่างที่สิเป็นทุรจทุรายถ้าเนื้อมนุษย์ ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวหัตถิมังสังอสสะสูนขะอะหิศีหะพยัคฆะทีปิอัจฉะตรัชฉะมังสังปริพุนชิตตบังดังนี้สุนักป่าที่ว่าโกกะเหมือนสุนักบ้านเนื้อแห่งสุนักป่านั้นควรฉันได้สุนักบ้านฉันไม่ได้สุนักใดเกิดด้วยแม่สุนักบ้านพ่อสุนักป่าหรือว่าด้วยแม่สุนักป่าพ่อสุนักบ้านประสมกัน เนื้อแห่งสุนัคนั้นไม่ควรด้วยสุนัคนั้นเศษชาติเป็นสองฝ่ายเนื้อแห่งทีค่ชาติสัตว์ยาวไม่มีเท้าจําพวกใดจําพวกหนึ่งทั้งปวงชื่อว่าเนื้องูไม่ควรรวมทั้งปลาไหลด้วยนะสัตว์ตัวยาวเนื้อราจสีเป็นต้นเป็นของปรากฏอยู่แล้วโดยแท้เนื้อมนุษย์เป็นวัตถุแห่งถูดใจดังกล่าวแล้วก่อน พระองค์รงห้ามเพราะว่ามีชาติเสมอกันเนื้อมนุษย์นี้ห้ามฉันมีชาติเสมอกันหน้ารังเกียจเนื้อช้างเนื้อม้าห้ามเพราะามีชาติเสมอกับราชยานเนื้อสุนัขเนื้องูห้ามเพราะเป็นของปฏิกูลเนื้อราชสีเป็นต้นห้ายางห้ามเพื่อจะมิให้เบียดเบียนตนเพราะว่าถ้าฉันพวกเนื้อสัตว์ร้ายเหล่านี้ไปอยู่ป่ากลิ่นตัวจะออกพวกสัตว์ร้ายทั้งหลายได้กลิน่นก็จะมาเบียดเบียนเอา แม้เนื้อและกระดูกและเลือดและหนังและขนแห่งตัดสิทธิ์จำพวกมีมนุษย์เป็นต้นนี้ทั้งปวงไม่ควรสิ้นเนื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านั้นไม่ควรสิ้นรู้หรือไม่รู้ก็ตามฉันคงเป็นอาบัติรู้เข้าเมื่อใดเพิงแสดงเสียงเมื่อนั้นคิดว่าจะไม่ถามและรับจะฉันเป็นทุกกฎเพะรับรับโดยคิดว่าจะถามแล้วจึงจะฉันไม่เป็นอาบัติ แต่เนื้อที่เขาเจาะจงแล้วและฆ่ามารู้แล้วฉันจึงเป็นอาบัติไม่รู้ที่แรกไม่รู้แต่ว่าภายหลังรู้เข้าเพราะวินัยรอนอยาปรับด้วยอาบัตินั้นรู้ที่หลังนี้ไม่เป็นอาบัตนะสําหแบบเนื้อที่เจาะจงแต่ว่าถ้าเป็นอาการยากมังสารู้ไม่รู้นี่ฉันก็ไปอาบัติทั้งนั้นข้อหนึ่งนอนในกลางวันให้ปิดประตูด้วยทรงอนุ ญ, ญาตไว้ในวินี่แต่วัตถุว่า อนุชานามิภิกเวก็รความละดิวาปฏิสัน ล, ลียันเตนะดวาราังสังวริตวาปฏิสัน ล, ลิยิตุงดังนี้เพราะคำนี้เมื่อไม่ปิดประตูเรนอยู่ในกลางวันท่านกล่าวว่าเป็นทุกขก์ด้วยว่าพระอุบาลีเถระเป็นต้นท่านรู้อธิบายแห่งพระพุทธเจ้าตั้งอัตกราไว้แล้ว เรงกล่าวว่าเป็นทุกข์กฎนานสำเร็จด้วยคําในปริวาระด้วยดังนี้ว่าอัตถาปติิวาอาปัจฉิตโนรติงแปลว่าอาบัตมีอยู่พิกษุต้องในกลางวันไม่ต้องในกลางคืนประตูเช่นไรจะต้องปิดประตูเช่นไรไม่ต้องปิดประตูที่เขาทําบานด้วยกระดานหรือว่าด้วยซี่ไม้ไผ่หรือลําแพนและใบไม้ สิ่งได้สิ่งหนึ่งประกอบเข้าในครบข้างล่างห่วงข้างบนหมุนไปได้ประตูเช่นนี้ต้องปิดประตูอื่นดังประตูเรียวหนามในข้อโคและประตูประกอบด้วยลูกล้อสำหรับปิดบานและประตูที่เขาประกอบด้วยลูกชักเลื่อนสองหรือว่าสามในแผ่นกระดานหรือแตะลากชักเลื่อนไปได้และประตูแตะที่ค้ำขึ้นดังในร้านกระดา และประตูซี่ไม้ที่เขาควบคุมซี่ไม้ไผ่ในที่สองแห่งสามแห่งทําไว้ในบรรทกวดีก็ดีประตูผ้าม่านก็ดีประตูเช่นนี้ไม่ต้องปิดแต่ในข้อว่าภิกษุมีบาดอยู่ในมือผลักบานประตูนั้นประตูผ้าม่านสิ่งเดียวไม่ทําให้เป็นอบัติผลักประตูนอกนั้นเป็นอบัักเพราะฉะนั้นประตูที่มีคล็อกเลื่อนหมุนไปมาได้อันนี้ต้องปิดแตนอนกลางวัน แต่ว่าประตูอย่างอื่นท right. in yup ี่เป็นแตะที่เป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ปิดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีบาตอยู่ในมือนี่ประตูอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นประตูผ้าม่านอย่างเดียวที่ไม่ทําให้เกิดอาบัตถ้าไปเปิดประตูไปผลักประตูอย่างอื่นนี่เป็นอาบัตหมดแต่นอนกลางวันประตูที่หมุนได้อย่างเดียวทําให้เป็นอาบัติประตูอันเศษจะปิดหรือไม่ปิดนอนก็ตามไม่เป็นอาบัติแต่พึ่งปิดเสียนอนเถิดเป็นวัดเป็นวัดเป็นข้อวัดที่ดีงาม ประตูที่หมุนได้ปิดเท่าไรจึงเป็นอันปิดก็บอกว่าลงสลักและลิ่มแล้วชื่อว่าเป็นอันปิดแน่นอนเลยได้ดีเลยแม้แต่ลงสลักหรือว่าลงลิ่มก็ควรหรือปิดแต่พองแงประตูถูกกันสักหน่อยหนึ่งก็ควรยังตามที่สุดก็คือถึงไม่ชิดกันพอศีษะเข้าไม่ได้ก็ควรปิดเอาไว้พอศีษะรอดเข้าไม่ได้ก็ควรแล้ว ถ้าประตูเป็นที่ใช้สอยแห่งคนมากด้วยกันไซแม้จะสั่งพิจุหรือว่าสามเณรช่วยปิดแล้วนอนก็ควรถ้าพิจุทั้งหลายนั่งทําจีวรกรรมหรือว่าการอื่นอยู่แม้จะผูกใจว่าเธอเหล่านั้นจะช่วยระวังประตูแล้วนอนก็ควรแต่ในอัตถกาถาคุรนทีว่าจะบอกแม้แต่อุบาสกหรือผูกใจว่าเขานั้นจะระวังแล้วนอนก็ควร แต่จะสั่งนางภิกษุณีหรือว่าหญิงอย่างเดียวไม่ควรไปบอกภิกษุณีหรือว่าหญิงนี่ไม่ได้ยังมีปัญหาต้นเหตุก็เพราะว่านี่แหละตัวปัญหานี่แหละเพรา ะ, ะนั้นไปบอกภิกษุณีหรือว่าผู้หญิงไม่ได้ถ้าธรณีหรือว่าห่วงข้างบนแห่งประตูแตกออกเสียหรือเขายังไม่ประกอบเข้าไม่อาจจะปิดได้หรือว่าเขากองอิดกองดินเป็นต้นไว้ในประตูหรือว่าผูกร่างร้านเพื่อจะทานวตกรรม อย่างไรก็ไม่อาจจะปิดได้อันตรายเช่นนี้มีแม้จะไม่ปิดแล้วนอนก็ควรแต่ถ้าว่าบานไม่มีไซต์ชื่อว่าได้กับปะก็คือได้ข้ออ้างควรแท้เมื่อจะนอนข้างบนชักบันไดเสียก่อนจึงนอนถ้าเครื่องปิดหัวบันไดมีไซต์พึงปิดเสียนอนเถิดเมื่อจะนอนในห้องจะปิดประตูห้องหรือว่าประตูหน้ามุกอันใดอันหนึ่งแล้วนอนก็ควรถ้าเรือนฝาเดียวกัน เขาทำประตูในข้างทั้งสองใช้สอยพึงปิดทั้งสองประตูแม้ในประสาทสารชั้นก็ต้องปิดประตูเป็นแท้ถ้าพิจุมากไยกันกลับจากทิศษษาจารย์เข้าไปยังประสาทดังโลหะปราสาดเพื่อจะนอนกลางวันถ้าสำคัเสระพึงสั่งคนงรักษาประตูให้ปิดหรือทำอาโปกก็คือทาความตั้งใจไว้แต่ว่าการปิดประตูเป็นธุระของเขานั้นแล้วจึงไปเถิด พึงทำอย่างนี้ทุกองค์จนถึงสังคัญนวากาแม้ผู้เข้าไปก่อนจะทำอาโปกว่าการปิดประตูเป็นภาระของคนหลังก็ควรเมื่อไม่สัง่งหรือว่าไม่ทำอาโปกไม่ตั้งใจในเจตนาไว้เข้าไปนอนในภายในห้องที่ไม่ได้ปิดประตูหรือนอกห้องคงเป็นอาบัติแม้ในเวลาเมื่อนอนในห้องหรือว่านอกห้องจะลูกใจว่า การปิดประตูเป็นภาระของคนเฝ้าประตูที่ประตูใหญ่แล้วนอนก็ควรแท้เพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งสติมีอาโฟกไว้แม้นอนในพื้นแจ้งในโลหะประสาทเป็นต้นต้องปิดประตูโดยแท้อันนี้ความย่อนอนในกลางวันนี้กล่าวในที่เขาผูกเป็นประตูและล้อมด้วยวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเหตุนั้นเมื่อจะนอนในกลางแจ้งหรือว่าควรไม้หรือมวลดบแห่งใดแห่งหนึ่งที่เขาผูกเป็นประตู พึงปิดเสียจึงนอนถ้าบริเวณใหญ่ดังลานมหาโพและลานโลหะประตาสเป็นที่ประชุมคนมากในที่ใดประตูแม้ถึงปิดก็ไม่ตั้งอยู่ในที่อันปิดคนทั้งหลายไม่ได้ประตูย่อมปีนกำแพงขึ้นไปทีเดียวในที่เช่นนั้นกิจที่จะปิดไม่มีเปิดประตูนอนในกลางคืนอารุณ์ขึ้นมาลุกขึ้นเสียไม่เป็นอาบัตถ้าตื่นแล้วหลับไปอีกเล่าเป็นอาบัต แต่เธอใดกำหนดไว้ว่าอารุณ์ขึ้นมาเราจกลุกและเปิดประตูนอนในกลางคืนไม่ลุกขึ้นตามกำหนดเป็นอาบัติแก่เธอนั้นแท้แต่ในอัตถิฐามหาปัญจรีว่าเมื่อนอนอย่างนี้ไม่พ้นอนานดรุริยทุกกฎก็คือทุกกฎก็ควานไมเอื้อเฟือแต่เธอใดในกลางคืนปฏิบัติสมณธรรมมากหรือว่าเดินทางกลางวันเหนื่อย น, นั่งบนเตียงไม่ให้เท้าพ้นพื้นเลยนอนหลับไป ไม่เป็นอาบัตแก่เธอนั้นถ้าเท้ายังไม่พ้นพื้นนะถ้าเธอหลับแล้วแม้ไม่รู้ยกเท้าขึ้นบนเตียงเป็นอาบัตแท้นั่งอิงหลับไม่เป็นอาบัตแม้เธอใดคิดจะบรรเทาหาวนอนเดินจงกรมลม้มลงแล้วลุกขึ้นโดยพลันก็ไม่เป็นอาบัตแก่เธอนั้นแต่เธอใดลม้มลงแล้วนอนไปในที่นั้นไม่ลุกขึ้นเป็นอาบัตแก่เธอนั้นผู้ใดพ้นอาบัตผู้ใดมีพ้นอาบัต ในมหาปัจจรีกล่าวก่อนว่าผู้นอนคูข้างหนึ่งไม่ยกเท้าพ้นจากพื้นเท่านั้นพ้นจากอาบัตได้แต่ผู้ให้เท้าพ้นจากพื้นแล้วก็นอนแม้ผีเข้าแม้สยบอยู่ก็ไม่พ้นอบัตถ้าเท้าพ้นพื้นในอัตถกฐานุรรทีว่าผู้ที่เขามัดให้นอนอยู่พ้นอบัตแต่ในมหาอัตถิฐาพระมหาปทุมเถระกล่าวว่าผู้ใดเดินจงกรมสยบก็คือสลบเลย ล้มลงไปหลับไปในที่นั้นอาบัตไม่ปรากฏแม้แกเธอนั้นเพราะใช่วิสัยแต่อาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวอย่างนั้นเพราะเห็นนั้นเป็นอาบัติแท้แต่ทิจตุผีเศ้าและเขามัดให้นอนอยู่สองนี้พ้นอาบัตตั้งแต่ดูการฟ้อนรำมาจนกระทั่งถึงพระพุทธบัญญัตินี้เป็นอจิตตกะแม้ล่วงด้วยความไม่รู้ก็เป็นอาบัต อันหนึ่งในล่าสิกขาบทที่เป็นสจิตรกะกรเรียนดีรชาวิชาบอร์ีรชาวิชาสองนี้ในปาจิตตีแห่งพิกตุนีเป็นสจิตตกะแต่ในมูลสิกขาจัดเป็นพวกสจิตรกะในของพิกตูนีนี้เป็นสจิตตกะแต่มูลสิกขานี้จัดเป็นสัจิตรกะซึ่งกําหนดสิกขาบทเป็นสจิตรกะสจิตรกะนี้ตามอย่างในมูลสิกขาแต่ในลาวสจิตรกะสิ ก, กสขาบท บางสิกขาบทไม่มีในมูลสิกขาก็มีบางสิกขาบทก็ไม่มีในมูลสิกขาเป็นแต่สังเกตว่าเห็นจะเป็นสจิต ก, กะแล้วกล่าวไว้เพื่อจะไม่ให้เสียลำดับให้นักรา่าวทั้งหลายผู้มีปัญญาสอบถวนเอาเถิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจิตกะวันนา น, านก็จบสำหรับเรื่องของวิญญาตก็จะเอาไว้ต่อในคราวต่อไปวันนี้ก็ขอให้ท่านได้ศรัทธาในการนี้ศึกษาอทาิ เสด็สิกขาเพื่อเป็นปัจจัยแจที่จิตและก็ที่ปัญญาศิกษาขอให้ได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นเหตุของการประชุมไตรสิกขาเพื่อความพร้อมเพรียงของอริยมรรคมีนองปาโดยทั่วกันด้ยเทินสาธุสาธุสาธุาธอะนุโมทามิ